จำทำที่ได้สดับมาว่าธรรมเหล่านี้ควรละปัญญารู้ชัดธรรมที่ได้สดับมานั้นชื่อว่าสุตตมายจยานเป็นอย่างไรคือธรรมหนึ่งอย่างที่ควรละคืออจมิมาณะธรรมสองอย่างที่ควรละคืออวิชชาหนึ่งภวะตันหาหนึ่งธรรมสามอย่างที่ควรละคือตันหาสามธรรมสี่อย่างที่ควรละคือโอคะสี่ ทำห้าอย่างที่ควรละคือนิวรห้าทำหกอย่างที่ควรละคือตัณหาหกทำเจ็ดอย่างที่ควรละคืออนุใสเจ็ดทำแปดอย่างที่ควรละคือมิชตะแปดทำเก้าอย่างที่ควรละคือทำที่มีตัณหาเป็นโมนเก้าทำสิบอย่างที่ควรละคือมิชตะสิบปหานะสองคือหนึ่ง สมุทเชทปหาณนะการละด้วยการตัดขาด 2. ปฏิปสัติปหาณนะการละด้วยสงบประงับสมุทเชทปหาณนะซึ่งเป็นโลกุตระมักและปฏิปสัติปหาณนะซึ่งเป็นโลกุตระผลในขณะแห่งผลย่อมมีแก่บุคคลผู้เจริญมักที่ให้ถึงความสิ้นไปปหาณะสามคือหนึ่งเนคขมมะปะหาณนะ เป็นเครื่องสลัดออกจากกามสองอรูปฌานเป็นเครื่องสลัดออกจากรูปฌานสามนิโรธเป็นเครื่องสลัดออกจากสังกตธรรมที่เกิดขึ้นแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอาศัายกันและกันเกิดขึ้นบุคคลผู้ได้เนี่ยขัมมะย่อมละและสละก า, ามได้บุคคลผู้ได้อรูปฌานย่อมละและสละรูปได้บุคคลผู้ได้ น, นิโรธ ย่อมละและสละสังขารได้ปหาณะสี่คือ 1. เมื่อรู้แจ้งทุกขสัตว์ด้วยการกำหนดรู้ชื่อว่าย่อมละกิเลสที่ควรละได้ 2. เมื่อรู้แจ้งสมุทัยสัตว์ด้วยการละชื่อว่าย่อมละกิเลสที่ควรละได้ 3. เมื่อรู้แจ้งนิโรธสัตว์ด้วยการทำให้แจ้งชื่อว่าย่อมละกิเลสที่ควรละได้ 4. เมื่อรู้แจ้งมักษัตริย์ด้วยการเจริญชื่อว่าย่อมละกิเลสที่ควรละได้ปหาณะหคือ 1. วิคัำพะณะปหานะการละด้วยการข่มไว้ 2. ตักทางพะปหานะการละด้วยองค์นั้นๆ 3. สมุทเฉทะปะหานะการละด้วยการตัดขาด 4. ปฏิปัจจิปหานะ การละด้วยสงบระงับหนิจรณะปหานะการละด้วยสลัดออกได้การละนิวรด้วยการข่มไว้ย่อมมีแก่บุคคลผู้เจริญปฐมฌานการละทิฏฐิสังโยดด้วยองค์นั้นๆย่อมมีแก่บุคคลผู้เจริญสมาธิซึ่งเป็นส่วนแห่งการชำระ ก, กิเลสสมุเฉทปหานะซึ่งเป็นโล ก, กุตระมักและปฏิปัสัทธิปหานะ ซึ่งเป็นโล ก, กุตระผลในขณะแห่งผลย่อมมีแก่บุคคลผู้เจริญมักที่ให้ถึงความสิ้นไปและนิจรณะปหาณะเป็นนิโรธคือพระนิพพานภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงควรละสิ่งทั้งปวงที่ควรละคืออะไรคือจักขูควรละรูปควรละจักขูวิญญาณควรละจักขูสัมผัสควรละ สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจากขุสัมผัสเป็นปัจจัยควรละโซตะควรละสัทธะคานะควรละคันทะชิวหาควรละรสกายควรละโพธพะมโนควรละธรรมรมควรละมโนวิญญาณควรละมโนสัมผัสควรละ สุขเวทนาทุกเวทนาหรือแม้อทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยควรละพระโยคาวจรเมื่อเห็นรูปชื่อว่าย่อมละกิเลสที่ควรละได้เมื่อเห็นเวทนาเมื่อเห็นสัญญาเมื่อเห็นสังขารเมื่อเห็นวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นชื่อว่าย่อมละกิเลสที่ควรละได้เมื่อเห็นจกักขุ เมื่อเห็นชราและมรณะเมื่อเห็นธรรมที่อย่างลงสู่อมาตะคืนนิพพานเพราะมีสภาวะเป็นที่สุดชื่อว่าย่อมละกิเลสที่ควรละได้ธรรมใดๆที่ละได้แล้วธรรมนั้นๆเป็นอันละได้แล้วชื่อว่ายานเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้นชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าการทรงจำธรรมที่ได้สดับมาว่า รมเหล่านี้ควรละปัญญารู้ชัดธรรมที่ได้สดับมานั้นชื่อว่าสุตตะมยญาณตาติยะพาณวาระจบการทรงจำธรรมที่ได้สดับมาว่าทมเหล่านี้ควรเจริญ ปัญญารู้ชัดธรรมที่ได้สดับมานั้นชื่อว่าสุตตมยญาณเป็นอย่างไรคือทำหนึ่งอย่างที่ควรเจริญคือกายคตาสติที่ประกอบด้วยความสําราญทำสองอย่างที่ควรเจริญคือสมถะหนึ่งวิปัสนาหนึ่งทำสามอย่างที่ควรเจริญคือสมาธิสามทำสี่อย่างที่ควรเจริญคือสติปฐานสี่ ทำห้าอย่างที่ควรเจริญคือสัมมาสมาธิอันมีองค์ห้าทำหกอย่างที่ควรเจริญคืออนุสติฐานอนุสติที่เป็นเหตุหกทำเจ็ดอย่างที่ควรเจริญคือพ่อชงเจ็ดทำแปดอย่างที่ควรเจริญคืออริยมรรคมีองค์แปดทำเก้าอย่างที่ควรเจริญคือปาริสุทธิประธานิยังคะเ้าทำสิบอย่างที่ควรเจริญ คือก ส, สินสิบ e. ภาวนาสองอย่างคือหนึ่งโลกิยะภาวนา 2. โลกกตระภาวนา p. ภาวนาสามอย่างคือหนึ่งการเจริญธรรมที่เป็นรูปาวจรกุศล 2. การเจริญธรรมที่เป็นอรูปาวจรกุศลสการเจริญธรรมที่เป็นโลกกตระกุศลการเจริญธรรมที่เป็นรูปาวจรกุศลอย่างอยบ ก, ก็มี ปานกลางก็มีปราณีตก็มีการเจริญธรรมที่เป็นอรูปาวจรกุศลอย่างหยาบก็มีปานกลางก็มีปราณีตก็มีการเจริญธรรมที่เป็นโลกุตระกุศลปราณีตอย่างเดียวภาวนาสี่อย่างคือหนึ่งเมื่อรู้แจ้งทุกสัตว์ด้วยการกำหนดรู้ชื่อว่าเจริญสองเมื่อรู้แจ้งสมุทยาสัตว์ด้วยการละชื่อว่าเจริญ สมเมื่อรู้แจ้งนิโรธสัตว์ด้วยการทำให้แจ้งชื่อว่าเจริญสี่เมื่อรู้แจ้งมรรสสัต์ด้วยการเจริญชื่อว่าเจริญเหล่านี้ชื่อว่าภาวนาสี่ภาวนาแม้อีกสี่อย่างคือหนึ่งเอสนาภาวนาสองปฏิลาภภาวนาสเอกระสาภาวนาสอาเสวนาภาวนา เอชนาภาวนาเป็นอย่างไรคือเมื่อพระโยคาวจรทั้งปวงเข้าสมาธิอยู่ทมทั้งหลายที่เกิดในส่วนเบื้องต้นนั้นมีรสเป็นอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นภาวนานี้จึงชื่อว่าเอชนาภาวนาปฏิลาภพภพาวนาเป็นอย่างไรคือเมื่อพระโยคาวจรทั้งปวงเข้าสมาธิแล้วทำทั้งหลายที่เกิดในอปปนานั้นไม่ร่วงเลยกันและกัน เพราะฉะนั้นภาวนานี้จึงชื่อว่าปฏิลาภภาวนาเอากระสาภาวนาเป็นอย่างไรคือเมื่อพระโยคาวจรเจริญสัตทินรีเพราะมีสภาวะน้อมใจเชื่ออินสีอีกสีอย่างก็มีรสเป็นอย่างเดียวกันด้วยอำนาจแห่งสัตทินรี่เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าอินสีทั้งหลายมีรสเป็นอย่างเดียวกัน เมื่อพระโยคาวจรเจริญวิริยินรีเพราะมีสภาวะประคองไว้อินรีอีกสี่อย่างก็มีรสเป็นอย่างเดียวกันด้วยอำนาจแห่งวิริยินรีเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าอินรีทั้งหลายมีรสเป็นอย่างเดียวกันเมื่อพระโยคาวจรเจริญสตินรีเพราะมีสภาวะตั้งมั่นอินรีอีกสีอย่างก็มีรสเป็นอย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจแห่งสตินสีเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าอินรีทั้งหลายมีรสเป็นอย่างเดียวกันเมื่อพระโยคาวจรจเจริญสมาธินสีเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านอินรีอีกสี่อย่างก็มีรสเป็นอย่างเดียวกันด้วยอำนาจแห่งสมาธินสีเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าอินรีทั้งหลายมีรสเป็นอย่างเดียวกัน เมื่อพระโยคาวจรเจริญ <mostly> ป <en dia> ัญญีรี่เพราะมีสภาวะเห็นอินรียอีกสีอย่างก็มีรสเป็นอย่างเดียวกันด้วยอำนาจแห่งปัญญีรี่เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าอินทรีย์ทั้งหลายมีรสเป็นอย่างเดียวกันเมื่อพระโยคาวจรเจริญศรัทธาพละเพราะมีสภาวะไม่หวั่นไหวเพราะความไม่มีศรัทธาภละอีกสีอย่างก็มีรสเป็นอย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจแห่งจัตตาพละเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าภาวนาเพระาพระมีความหมายว่าภะละทั้งหลายมีรสเป็นอย่างเดียวกันเมืม่อพระโยคาวาจารเจริญวิริยระภะละเพราะมีสภาวะไม่หวั่นไหวเพราะความเกียรติคร้านภะละอีกสี่อย่า ง, าางก็ ม, ม, ม, งมีรสเป็นอย่างเดียวกันด้วยอำนาจแห่งวิริยะภละเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าภะละทั้งหลายมีรสเป็นอย่างเดียวกัน เมื่อพระโยคาวจรเจริญสติภลร ะ, ระเพราะมีสภาวะไม่หวั่นไหวเพราะความประมาทภละอีกสีอย่างก็มีรสเป็นอย่างเดียวกันด้วยอำนาจแห่งสติภลร ะ, ระเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าภลร ะ, ระทั้งหลายมีรสเป็นอย่างเดียวกันเ <Be> oh. มืม่อพระโยคาวจรเจริญสมาธิภลร ะ, ระเพราะมีสภาวะไม่หวั่นไหวเพราะอุทัศจ ạ ภละอีสี่อย่างก็มีรเเมสเป็นอย่างเดียวกันด้วยอำนาจแห่งสมาธิภละเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าภละทั้งหลายมีรสเป็นอย่างเดียวกันเมื่อพระโยคาวะจรเจริญปัญญาภละเพราะมีสภาวะไม่หวั่นไหวเพราะอวิชชาภละอีสี่อย่างก็มีรสเป็นอย่างเดียวกันด้วยอำนาจแห่งปัญญาพละเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าภาวนา เพราะมีความหมายว่าภะละทั้งหลายมีรสเป็นอย่างเดียวกันเมื่อพระโยคาวจรเจริญสติสัมโพชงเพราะมีสภาวะตั้งมั่นโพชฌงอีกหกอย่างก็มีรสเป็นอย่างเดียวกันด้วยอำนาจแห่งสติสัมโพชงเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าโพชฌงทั้งหลายมีรสเป็นอย่างเดียวกัน เมื่อพระโยคาวจรเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงเพราะมีสภาวะเลือกเฟ้นโพชงอีกหกอย่างก็มีรสเป็นอย่างเดียวกันด้วยอำนาจแห่งธรรมวิจยะสัมโพชงเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าโพชงทั้งหลายมีรสเป็นอย่างเดียวกันเมื่อพระโยคาวจรเจริญวิริยะสัมโพชงเพราะมีสภาวะประคองไว้ พ่อชงอีกหกอย่างก็มีรบเป็นอย่างเดียวกันด้วยอำนาจแห่งวิริยะสัมพ่ชงเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าพ่ชงทั้งหลายมีรบเป็นอย่างเดียวกันเมื่อพระโยคาวจนเจริญปิติสัมพ่ชงเพราะมีสภาวะแผ่ซ่านพ่อชงอีกหกอย่างก็มีรบเป็นอย่างเดียวกันด้วยอำนาจแห่งปิติสัมพ่ชง เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าโูชงทั้งหลายมีรสเป็นอย่างเดียวกันเมื่อพระโยคาวจรเจริญปัสสติสัมโูชงเพราะมีสภาวะสงบโพชงอีกหกอย่างก็มีรสเป็นอย่างเดียวกันด้วยอันาจแห่งปัสสติสัมโูชงเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าโูชงทั้งหลายมีรสเป็นอย่างเดียวกัน เมื่อพระยยคาวจรเจริญสมาธิสัมโพชงเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านโพชงอีกหกอย่างก็มีรถเป็นอย่างเดียวกันด้วยอำนาจแห่งสมาธิสัมโพชงเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าโพชงทั้งหลายมีรถเป็นอย่างเดียวกันเมื่อพระยยคาวจรเจริญอุเบกขาสัมโพชงเพราะมีสภาวะพิจรารณา พ่อชงอีกหกอย่างก็มีรสเป็นอย่างเดียวกันด้วยอำนาจแาห่งอุเบกขาสัมพ่อชงเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าพ่อชงทั้งหลายมีรสเป็นอย่างเดียวกันเมื่อพระโยคาวจรเจริญสัมมาทิฏฐิเพราะมีสภาวะเห็นองค์มรรคอีกเจ็ดอย่างก็มีรสเป็นอย่างเดียวกันด้วยอำนาจแห่งสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าภาวนา เพราะมีความหมายว่าองค์มรรคทั้งหลายมีรบเป็นอย่างเดียวกันเมื่อพระโยคาวจรเจริญสัมมาสังกัปปะเพราะมีสภาวะตรึกตรององค์มรรคอีกเจ็ดอย่างก็มีรบเป็นอย่างเดียวกันด้วยอำนาจแห่งสัมมาสังกัปปะเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าองค์มรรคทั้งหลายมีรบเป็นอย่างเดียวกันเมื่อพระโยคาวจรเจริญสัมมาวาจา เพราะมีสภาวะกำหนดองค์มรรคอีกเจ็ดอย่างก็มีรูเป็นอย่างเดียวกันด้วยอำนาจแห่งสัมมาวาจาเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าองค์มรรคทั้งหลายมีรูเป็นอย่างเดียวกันเมื่อพระยูขาวจรเจริญสัมมารกรรมันตะเพราะมีสภาวะเป็นสมุทฐานองค์มรรคอีกเจ็ดอย่างก็มีรูเป็นอย่างเดียวกันด้วยอำนาจแห่งสัมมารกรรมันตะ เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าองค์มรรคทั้งหลายมีรบเป็นอย่างเดียวกันเมื่อพระโยคาวจรเจริญสัมมาอาชีวะเพราะมีสภาวะผ่องแผ้วองค์มรรคอีกเจ็ดอย่างก็มีรบเป็นอย่างเดียวกันด้วยอำนาจแห่งสัมมาอาชีวะเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าองค์มรรคทั้งหลายมีรบเป็นอย่างเดียวกัน เมื่อพระโยคาวจรเจริญสัมมาวายามะเพราะมีสภาวะประคองไว้องค์มรรคอีกเจ็ดอย่างก็มีรถเป็นอย่างเดียวกันด้วยอำนาจแห่งสัมมาวายามะเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าองค์มรรคทั้งหลายมีรถเป็นอย่างเดียวกันเมื่อพระโยคาวจรเจริญสัมมาสติเพราะมีสภาวะตั้งมั่น องค์มรักอีกเจ็ดอยา่างก็มีรถเป็นอย่างเดียวกันด้วยอำนาจแห่งสัมมาสติเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าภาวน า, พวนาเพราะมีความหมายว่าองค์มรักทั้งหลายมีรถเป็นอย่างเดียวกันเมื่อพระโยคาวจรเจริญสัมมาสมาธิเพราะมีสภาวะไม่ฟุ้งซ่านองค์มรักอีกเจ็ดอย่างก็มีรถเป็นอย่างเดียวกันด้วยอานาจแห่งสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าภาวนา เพราะมีความหมายว่าองค์มรรคทั้งหลายมีรสเป็นอย่างเดียวกันภาวนานี้จึงชื่อว่าเอกราสาภาวนาอาเสวนาภาวนาเป็นอย่างไรเพื่อภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้เข้าสมาธิในเวลาเช้าก็ได้กลางวันก็ได้เย็นก็ได้ก่อนอาหารก็ได้หลังอาหารก็ได้ปฐมยามก็ได้มชิมยามก็ได้ ปัจฉิมยามก็ได้ตลอดคืนก็ได้ตลอดวันก็ได้ตลอดคืนและวันก็ได้ตลอดข้างขึ้นและข้างแรมก็ได้ตลอดฤดูฝนก็ได้ฤดูหนาวก็ได้ฤดูร้อนก็ได้ตลอดปฐมวัยก็ได้มัชฌิมวัยก็ได้ปัจฉิมวัยก็ได้ภาวนานี้จึงชื่อว่าอาเสวนาภาวนาภาวนาสี่อย่างเหล่านี้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 เพรามีความหมายว่าปฏิบัติหนึ่งเนืองชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าทำทั้งหลายที่เกิดในภาวนานั้นไม่ล่วงเลยกันเป็นอย่างไรคือเมื่อพระโยคาวจรและกามฉันทะความพอใจในกามทำทั้งหลายที่เกิดด้วยอํานาจแห่งเนคขมมะย่อมไม่ล่วงเลยกันและกันเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่า ทำทั้งหลายที่เกิดในภาวนานั้นไม่ล่วงเลยกันเมื่อละพยาบาทความคิดร้ายทำทั้งหลายที่เกิดด้วยอํานาจแห่งอพยาบาทย่อมไม่ล่วงเลยกันและกันเมื่อละถีนมิทะความหดหู่ทำทั้งหลายที่เกิดด้วยอํานาจแห่งอาโลกสัญญาย่อมไม่ล่วงเลยกันและกันเมื่อละอุทจะความฟุ้งซ่านทำทั้งหลายที่เกิดด้วยอํานาจแห่งอวิคเทปะ ย่อมไม่ล uh ่วงเลยกันและกันเมื่อละวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยทำทั้งหลายที่เกิดด้วยอำนาจแห่งธรรมววัฏฐานย่อมไม่ล่วงเลยกันและกันเมื่อละอวิชชาความไม่รู้แจ้งทำทั้งหลายที่เกิดด้วยอำนาจแห่งญาณย่อมไม่ล่วงเลยกันและกันเมื่อละอารติความไม่ยินดีทำทั้งหลายที่เกิดด้วยอำนาจแห่งปามุชะย่อมไม่ล่วงเลยกันและกัน เมื่อละนิวร์ทั้งหลายทำ well, ทั้งหลายที่เกิดด้วยอำนาจแห่งปฐมฌานย่อมไม่ล่วงเลยกันและกันเมื่อละวิตกและวิจารทำทั้งหลายที่เกิดด้วยอำนาจแห่งทุติยฌานย่อมไม่ล่วงเลยกันและกันเมื่อละบีติทำทั้งหลายที่เกิดด้วยอำนาจแห่งตติยฌานย่อมไม่ล่วงเลยกันและกันเมื่อละสุขและทุกข์ทำทั้งหลายที่เกิดด้วยอำนาจแห่งจตุตฌานย่อมไม่ล่วงเลยกันและกัน เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าทำทั้งหลายที่เกิดในภาวนานั้นไม่ล่วงเลยกันเมื่อพระโยคาวจรและรูปสัญญาความหมายรู้รูปปฏิฆาสัญญาความหมายรู้ความกระทบกระทั่งในใจนานาตสัญญาความหมายรู้ภาวะต่างกันทำทั้งหลายที่เกิดด้วยอำนาจแห่งอากาสานัญจาจตนะสมาบัตย่อมไม่ล่วงเลยกันและกัน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 ทำทั้งหลายที่เกิดในภวาวนานั้นไม่ล่วงเลยกันเมื่อละวิญญาณัญจายตนะสัญญาความหมายรู้วิญญาณัญจายตนะทำทั้งหลายที่เกิดด้วยอำนาจแหง่งอากินจัญญาญตนะสมาบัตย่อมไม่ล่วงเลยกันแล้วกันเมื่อละอากินจัญญาญาตนะสัญญาความหมายรู้อากินจัญญาญาตนะทำทั้งหลายที่เกิดด้วยอำนาจแหง่งเนวสัญญานาสัญญาญาตนะสมาบัต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 ทำทั้งหลายที่เกิดในภาวนานั้นไม่ล่วงเลยกันเมื่อละสุขสัญญาความหมายรู้ว่าเป็นสุขทำทั้งหลายที่เกิดด้วยอํานาจแห่งทุกขานุปัสสนาย่อมไม่ล่วงเลยกันและกันเมื่อละอัตตสัญญาความหมายรู้ว่าอัตตาทำทั้งหลายที่เกิดด้วยอำนาจแห่งอนัตตานุปัสสนาย่อมไม่ล่วงเลยกันและกันเมื่อละนันทิความยินดี ทำทั้งหลายที e th th drilling, ่เกิดด้วยอำนาจแห่งนิพพทานุปัสสนาย่อมไม่ล่วงเลยกันและกันเมื่อละราคะความกำหนัดทำทั้งหลายที่เกิดด้วยอำนาจแห่งวิราคานุปัสสนาย่อมไม่ล่วงเลยกันและกันเมื่อละสมุทัยเหตุเกิดทำทั้งหลายที่เกิดด้วยอำนาจแห่งนิโรธานุปัสสนาย่อมไม่ล่วงเลยกันแลวกันเมื่อละอาทานะความยึดถือ ทำทั้งหลายที่เกิดด <Her> <language> ้วยอำนาจแห่งปฏินิสักานุปัสนาย่อมไม่ล่วงเลยกันและกันเมื่อละคณะสัญญาความรู้ว่าเป็นก้อนทาทั้งหลายที่เกิดด้วยอำนาจแห่งขยานุปัสนาย่อมไม่ล่วงเลยกันแลวกันเมื่อละอายุหณะกรรมเป็นเครื่องประมวลมาทาทั้งหลายที่เกิดด้วยอำนาจแห่งวยานุปัสนาย่อมไม่ล่วงเลยกันแลกันเมื่อละทุวะสัญญา ความหมายรู้ว่ามั่นคงทำทั้งหลายที่เกิดด้วยอำนาจแห่งวิปริณามานุปัสสนาย่อมไม่ล่วงเลยกันและกันเมื่อละนิมิตเครื่องหมายทำทั้งหลายที่เกิดด้วยอำนาจแห่งอนิมิตานุปัสสนาย่อมไม่ล่วงเลยกันและกันเมื่อละปณิธิความตั้งมั่นทำทั้งหลายที่เกิดด้วยอำนาจแห่งอปณิหิตานุปัสสนาย่อมไม่ล่วงเลยกันและกันเมื่อละอภินิเวก ความยึดมั่นทำทั้งหลายที่เกิดด้วยอํานาจแห่งสุญญานุปัสนาย่อมไม่ล่วงเลยกันและกันเมื่อละสาราธาน้ำพินิเวศความยึดมั่นว่าเป็นแก่นสารทำทั้งหลายที่เกิดด้วยอํานาจแห่งอธิปัญญาธรรมวิปัสนาย่อมไม่ล่วงเลยกันและกันเมื่อละสัมโมหะพินิเวศความยึดมั่นเพราะความหลง ทำท th ั ana, <S S ้งหลายที่เก ai ิดด้วยอำนาจแห่งยะถาภูตยานัสสนะย่อมไม่ล่วงเลยกันและกันเมื่อละอารยาพินิเวศความยึดมั่นด้วยความอาลัยทาทั้งหลายที่เกิดด้วยอำนาจแห่งอาธินวานุปัสนาย่อมไม่ล่วงเลยกันและกันเมื่อละอปฏิสังขาการไม่พิจารณาทาทั้งหลายที่เกิดด้วยอำนาจแห่งปฏิสังขานุปัสนาย่อมไม่ล่วงเลยกันและกัน เมื่อละสัญโยคาพินิเวศความยึดมั่นเพราะกิเลสเครื่องประกอบทำทั้งหลายที่เกิดด้วยอำนาจแห่งวิวัตนานุปัสนาย่อมไม่ล่วงเลยกันและกันเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าทำทั้งหลายที่เกิดในภาวนานั้นไม่ล่วงเลยกันเมื่อละกิเลสที่ตั้งอยู่ร่วมกันกับทิฏฐิทำทั้งหลายที่เกิดด้วยอำนาจแห่งโสดาปฏิมักย่อมไม่ล่วงเลยกันและกัน เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าทำทั้งหลายที่เกิดในภาวนานั้นไม่ล่วงเลยกันเมื่อละกิเลสอย่างหยาบทำทั้งหลายที่เกิดด้วยอํานาจแห่งสกทาคามิมักย่อมไม่ล่วงเลยกันและกันเมื่อละกิเลสอย่างละเอียดทำทั้งหลายที่เกิดด้วยอํานาจแห่งอนาคามิมักย่อมไม่ล่วงเลยกันและกันเมื่อละกิเลสทั้งปวง ทำทั้งหลายที่เกิดด้วยอำนาจแห่งอรหัตมัคย่อมไม่ล่วงเลยกันและกันเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าทำทั้งหลายที่เกิดในภาวนานั้นไม่ล่วงเลยกันชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าอินทรีทั้งหลายมีรสเป็นอย่างเดียวกันเป็นอย่างไรคือพระโยคาวจรเมื่อละกามฉันทะอินทรีห้ามีรสเป็นอย่างเดียวกัน ด้วยอำนาจแห่งเนคข ม, มะเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าอินทรีทั้งหลายมีรสเป็นอย่างเดียวกันเมื่อละพยาบาทอินทรีห้ามีรสเป็นอย่างเดียวกันด้วยอำนาจแห่งอพยาบาทเมื่อละกิเลสทั้งปวงอินทรีห้ามีรสเป็นอย่างเดียวกันด้วยอำนาจแห่งอรหัตมรรคเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่า อินทรีทั้งหลายมีรสเป็นอย่างเดียวกันชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าอินทรีทั้งหลายมีรสเป็นอย่างเดียวกันอย่างนี้ชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่านำความเพียรที่สมควรแก่ทำนั้นเข้าไปเป็นอย่างไรคือพระโยคาวะจรเมื่อละกามฉันทะย่อมนำความเพียรด้วยอนานาจแห่งเนคขมมะเข้าไปเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าภาวนา เพราะมีความหมายว่านำความเพียรที่สมควรแก่ธรรมนั้นเข้าไปเมือ animals, yeah ่อละภยบาทย่อมนำความเพียรด้วยอำนาจแห่งอภยบาสเข้าไปเมื่อละกิเลสทั้งปวงย่อมนำความเพียรด้วยอำนาจแห่งอรหัตมรเข้าไปเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่านำความเพียรที่สมควรแก่ธรรมนั้นเข้าไปชื่อว่าภาวนาเ <ๆ S 1> พราะมีความหมายว่า นำความเพียรที่สมควรแก่ทำนั้นเข้าไปอย่างนี้ชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าปฏิบัติหนึ่งเนืองเป็นอย่างไรคือพระโยคาวจรเมื่อละกามฉันทะย่อมปฏิบัติหนึ่งเนืองซึ่งเนกขัมมะเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าปฏิบัติหนึ่งเนืองเมื่อละพยาบาทย่อมปฏิบัติหนึ่งเนืองซึ่งอพยาบาท เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าปฏิบัติเนื่งเนืองเมื่อละกิเลสทั้งปวงย่อมปฏิบัติเนื่งเนืองซึ่งอรหัตมรักเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าปฏิบัติเนื่งเนืองชื่อว่าภาวนาเพราะมีความหมายว่าปฏิบัติเนื่งเนืองอย่างนี้ภาวนาสี่ประการนี้พระโยคาวจรเมื่อเห็นรูปชื่อว่าเจริญอยู่ เมื่อเห็นเวทนาเมื่อเห็นสัญญาเมื่อเห็นสังขารเมื่อเห็นวิญญาณเมื่อเห็นจักผุเมื่อเห็นชราและมรณะเมื่อเห็นธรรมที่อย่างลงสู่อมตะพื้นิพพานเพราะมีสภาวะเป็นที่สุดชื่อว่าเจริญอยู่ธรรมใดๆที่ได้เจริญแล้วธรรมนั้นๆมีรสเป็นอย่างเดียวกันชื่อว่ายานเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้น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 การทรงจำธรรมที่ได้สดับมาว่าธรรมเหล่านี้ควรทำให้แจ้งปัญญารู้ชัดธรรมที่ได้สดับมานั้นชื่อว่าสุตตมยญาณเป็นอย่างไรคือธรรมหนึ่งอย่างที่ควรทำให้แจ้งคือเจโตวิมุตที่ไม่เคลมเริบธรรมสองอย่างที่ควรทำให้แจ้งคือวิชาหนึ่งวิมุตหนึ่งธรรมสามอย่างที่ควรทำให้แจ้งคือวิชาสาม ทำสี่อย่างที่ควรทำให้แจ้งคือสัมัญญผลสี่ทำห้าอย่างที่ควรทำให้แจ้งคือธรรมขันห้าทำหกอย่างที่ควรทำ 6, <magical Jaime. S 2> ให้แจ้งคืออภิญญาหกทำเจ็ดอย่างที่ควรทำให้แจ้งคือขีณาชวะภละเจ็ดทำแปดอย่างที่ควรทำให้แจ้งคือวิโ 7, มกแปดทำเก้าอย่างที่ควรทำให้แจ้งคืออนุปุพาณิโรห์เก้า ทำสิบอย่างที่ควรทำให้แจ้งคืออาเสขธทำสิบภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงควรทำให้แจ้งสิ่งทั้งปวงที่ควรทำให้แจ้งคืออะไรคือจักขุควรทำให้แจ้งรูปควรทำให้แจ้งจักขูวิญญาณควรทำให้แจ้งจักขุสัมผัสควรทำให้แจ้งสุขเวทนาทุกเวทนาหรือทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้น เพราะจากขูสัมผัสเป็นปัจจ totally ัยควรทำให้แจ้งโซตะควรทำให้แจ้งสัทธะคานะควรทำให้แจ้งคันทะชิวหาควรทำให้แจ้งรสะกายควรทำให้แจ้งโพพภะมโนควรทำให้แจ้งธัมมารมควรทำให้แจ้มมโนวิญญาณควรทำให้แจงมมโนสัมผัสควรทำให้แจ้ง สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยควรทำให้แจ้งพระโยคาวจรเมื่อเห็นรูปชื่อว่าย่อมทำให้แจ้งด้วยการทำให้เป็นอารมณ์เมื่อเห็นเวทนาเมื่อเห็นสัญญาเมื่อเห็นสังขารเมื่อเห็นวิญญาณเมื่อเห็นจักขุเมื่อเห็นชราและมรณะเมื่อเห็นธรรมที่ยังลงสู่อมตะคืนนิพพาน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 ปัญญารู้ชัดธรรมที่ได้สดับมานั้นชื่อว่าสุตตะมยญาณการทรงจำธรรมที่ได้สดับมาว่าธรรมเหล่านี้เป็นส่วนแห่งความเสื่อมธรรมเหล่านี้เป็นส่วนแห่งความตั้งอยู่ธรรมเหล่านี้เป็นส่วนแห่งคุณวิเศษธรรมเหล่านี้เป็นส่วนแห่งการชำระกิเลสปัญญารู้ชัดธรรมที่ได้สดับมานั้นชื่อว่าสุตตะมยญาณเป็นอย่างไร คือพระโยคาวจรผู้ได้ปถมฌานมีสัญญาความหมายรู้และมนาสิการการทําไว้ในใจที่ประกอบด้วยการเกิดขึ้นธรรมนี้เป็นส่วนแห่งความเสือ่อมมีสติที่เป็นธรรมสมควรแก่ปถมฌานนั้นตั้งอยู่ธรรมนี้เป็นส่วนแห่งความตั้งอยู่มีสัญญาและมนาสิการที่ไม่ประกอบด้วยวิตตกเกิดขึ้นธรรมนี้เป็นส่วนแห่งคุณวิเศษ มีสัญญาและมนุษการที่ประกอบด้วยนิพิทาความเบื่อหน่ายและวิราคะความคลายกำหนัดเกิดขึ้นธรรมนี้เป็นส่วนแห่งการชำรกกิเลสพระโยคาวจรผู้ได้ทุติยชาตมีสัญญาและมนุษยการที่ประกอบด้วยวิตกเกิดขึ้นธรรมนี้เป็นส่วนแห่งความเสื่อมมีสติที่เป็นธรรมสมควรแก่ทุติยชาตนั้นตั้งอยู่ธรรมนี้เป็นส่วนแห่งความตั้งอยู่ มีสัญญาและมานาศษการที่ประกอบด้วยอุเบกขาและสุขเกิดขึ้นธรรมนี้เป็นส่วนแห่งคุณวิเศษมีสัญญาและมานาศษการที่ประกอบด้วยนิพพทาและวิราคะเกิดขึ้นธรรมนี้เป็นส่วนแห่งการชำระกิเลสพระโยคาวจรผู้ได้ป ต, ติยะฌานมีสัญญาและมานาศษการที่ประกอบด้วยปีติและสุขเกิดขึ้นธรรมนี้เป็นส่วนแห่งความเสื่อม มีสติที่เป็นธรรมสมควรแก่ตติยชฌานนั้นตั้งอยู่ธรรมนี้เป็นส่วนแห่งความตั้งอยู่มีสัญญาและมนัษ์การที่ประกอบด้วยอุทุคลมสุเกิดขึ้นธรรมนี้เป็นส่วนแห่งคุณวิเศษมีสัญญาและมนุษ์การที่ประกอบด้วยนิพพทาและวิราคะเกิดขึ้นธรรมนี้เป็นส่วนแห่งการชำระกิเลสพระโยคาวจรผู้ได้จตุทชาน มีสัญญาและมนสสการที่ประกอบด้วยอเบคาตั้งอยู่ธรรมนี้เป็นส่วนแห่งความเสื่อมมีสติที่เป็นธรรมสมควรแก่เจตุทะชาญ น, นั้นตั้งอยู่ธรรมนี้เป็นส่วนแห่งความตั้งอยู่มีสัญญาและมนัสการที่ประกอบด้วยอากาสานัญญาตนะชาญเกิดขึ้นธรรมนี้เป็นส่วนแห่งคุณวิเศษมีสัญญาและมนสสการที่ประกอบด้วยนิพิทาและวิราคะเกิดขึ้น ธรรมนี้เป็นส่วนแห่งการชำระกิเลสพระโยคาวจรผู้ได้อากาสานัญญาตนะฌานมีสัญญาและมนัสการที่ประกอบด้วยรูปเกิดขึ้นธรรมนี้เป็นส่วนแห่งความเสื่อมมีสติที่เป็นธรรมสมควรแก่อากาสานัญจาตนะฌานนั้นตั้งอยู่ธรรมนี้เป็นส่วนแห่งความตั้งอยู่ มีสัญญาและมนสสการที่ประกอบด้วยวิญญาณัญจายตนะฌานเกิดขึ้นธรรมนี้เป็นส่วนแห่งคุณวิเศษมีสัญญาและมนัสการที่ประกอบด้วยนิพพทาและวิราคะเกิดขึ้นธรรมนี้เป็นส่วนแห่งการชำระกิเลสพระโยคาวจรผู้ได้วิญญาณัญจายตนะฌานมีสัญญาและมนัสการที่ประกอบด้วยอาการสานัญจายตนะฌานเกิดขึ้น ธ ร, รรมนี้เป็นส่วนแห่งความเสือ่อมมีสติที่เป็นธรรมสมควรแก่วิญญาณัญจายตนะฌานนั้นตั้งอยู่ธรรมนี้เป็นส่วนแห่งความตั้งอยู่มีสัญญาและมนัสการที่ประกอบด้วยอากิญจัญายตนะฌานเกิดขึ้นธ ร, รรมนี้เป็นส่วนแห่งคุณวิเศษมีสัญญาและมนัสการที่ประกอบด้วยนิพพทาและวิราคะเกิดขึ้นธรรมนี้เป็นส่วนแห่งการชำระกิเลส พระโยคาวจารผู้ได้อากินจัญญายาตนะชาญมีสัญญาและมนัสการที่ประกอบด้วยวิญญาณัญจายาตนะชาญเกิดขึ้นธรรมนี้เป็นส่วนแห่งความเสื่อมมีสติที่เป็นธรรมสมควรแก่อากินจัญ ญ, ญาญาตนะชาญนั้นตั้งอยู่ธรรมนี้เป็นส่วนแห่งความตั้งอยู่มีสัญญาและมนัสการที่ประกอบด้วยเนวะสัญญานาสัญ ญ, ญายตนะชาญเกิดขึ้น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 สุดตะมายญาณเป็นอย่างไรคือการทรงจำธรรมที่ได้สดับมาว่ารูปไม่เที่ยงเพราะมีสภาวะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะมีสภาวะเป็นภัยเป็นอนัตตาเพราะมีสภาวะไม่มีแก่นสารปัญญารู้ชัดธรรมที่ได้สดับมานั้นชื่อว่าสุดตามายญาณการทรงจำธรรมที่ได้สดับมาว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจักขุ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 การทรงจำธรรมที่ได้สดบมาว่าสังขารทั้งปวงไม่เทียมสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทมทั้งปวงเป็นอนัตตาปัญญารู้ชัดธรรมที่ได้แสดับมานั้นชื่อว่าสุตตะมยญาณการทรงจำธรรมที่ได้แสดับมาว่านี้ทุกขอริยสัจนี้ทุกขสมุทัยอริยสัจนี้ทุกขะนิโรธาอริยสัจนี้ทุกขนิโรทคาไมนีปฏิปทาอริยสัจ ปัญญารู้ชัดธรรมที่ได้สดับมานั้นชื่อว่าสุตตะมยจยานเป็นอย่างไรบรรดาอรียสัตวสี่นั้นทุกขอเริยสัตว์เป็นอย่างไรคือชาติเป็นทุกข์ชาาเป็นทุกข์มรณะเป็นทุกข์โศกปริเทวะทุกข์โทมนะตุปาญาตเป็นทุกข์การประสบกับอารมณ์อันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นทุกข์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 ชราเป็นอย่างไรคือความแก่ความคร่ำคร่าความมีฟันหลุดความมีผมหงอกความมีหนังเหี่ยวย่นความเสื่อมอายุความแก่งหงอมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆนี้เรียกว่าชราบรรดาทุกขารีสัตว์นั้นมรณะเป็นอย่างไรคือความจุติความเคลื่อนไปความทําลายไปความหายไป ความตายกล่าวเคือมรตยูการทำกาละความแตกแข่งขันความทอดทิ้งร่างกายความขาดศูญย์แห่งชีวิตตินสีของเหล่าสัตว์นั้นๆจากหมู่สัตว์นั้นๆนี้เรียกว่ามรณะบรรดาทุกขอริยสัตว์นั้นโศกะเป็นอย่างไรคือความเศร้าโศกดิริยาที่เศร้าโศกภาวะที่เศร้าโศกความแห้งผากภายใน ความแห้งกรอบภายในความเกรียมใจความโทมนัสลูกศรคือความเศร้าโศกของผู้ที่ถูกความเสื่อมญาติความเสื่อมพภอกรัพย์ความเสื่อมเกี่ยวกับโรคความเสื่อมศีลหรือความเสื่อมทิฏฐิกระทบของผู้ที่ประกอบด้วยความเสื่อมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือผู้ที่ถูกเหตแห่งทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบนี้เรียกว่าโศกะ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 กิริยาสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดจากกายสัมผัสนี้เรียกว่าทุกข์บรรดาทุกขะเรียสัตว์นั้นโทมนัสเป็นอย่างไรคือความไม่สำราญความไม่สำราญใจความทุกข์ทางใจความสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดจากเจโตสัมผัสกิริยาสวยอารมณ์ที่ไม่สำราญเป็นทุกข์อันเกิดจากเจโตสัมผัส นี้เรียกว่าความทุกข์ใจบรรดาทุกขเรียสัตว์นั้นอุปายาตเป็นอย่างไรคือความแค้นความคับแคนภาวะที่แค้นภาวะที่เคืองภาวะที่คับแค้นภาวะที่แค้นเคืองของผู้ที่ถูกความเสื่อมญาติความเสื่อมพ่อขราัพย์ความเสื่อมเกี่ยวกับโรคความเสื่อมศีลหรือความเสื่อมทิฐิกระทบ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 ที่สาวน้องสาวมิตรอมาตยติหรือสาโลหิตนี้เรียกว่าการพละดพลาดจากอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นทุกข์บรรดาทุกขเรียสัต์นั้นการไม่ได้อารมณ์ที่ปรารถนาเป็นทุกข์เป็นอย่างไรคือเราสาัตผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาเกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าเทไนหนอขอเราอย่าได้มีความเกิดเป็นธรรมดา หรือขอความเกิดอย่าได้มาถึงเราเลยนะข้อนี้ไม่พึงสําเร็จได้ตามความปรารถนานี้เรียกว่าการไม่ได้อารมณ์ที่ปรารถนาเป็นทุกข์เราสัตว์ผู้มีความแก่เป็นธรรมดาเราศาตว์ผู้มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเราสัตว์ผู้มีความตายเป็นธรรมดาเราศาตว์ผู้มีความเศร้าโศกความรําพันความทุกข์ความโทมนัสและความคลับแค้นเป็นธรรมดา ต่งก็เกิดความปรารถนาขึ้นอย่างนี้ว่าชะไหนหนอขอเราอย่าได้เป็นผู้มีความเจ้าโศกความรำพันความทุกข์ความโทมนัสและความขับแค้นเป็นธรรมดาเลยขอความเจ้าโศกความรำพันความทุกข์ความโทมนัสและความขับแค้นอย่าได้มาถึงเราเลยนะพ่อนี้ไม่พึงสําเร็จได้ตามความปรารถนานี้เรียกว่า การไม่ได้อารมณ์ที่ปรารถนาเป็นทุกข์บรรดาทุกขะเรียสัตว์นั้นโดยย่ออุปาทานขันห้าเป็นทุกข์เป็นอย่างไรคือหนึ่งรู ป, ปูปาทานขันอุปาทานขันคือรูปสองเวทนูปาทานขันอุปาทานขันคือเวทนาสสัญญูปาทานขันอุปาทานขันคือสัญญา 4. สังขารูปาทานขัน อุปาทานขันคือวิญญาณ 5. วิญญาณูปาทานขันอุปาทานขันคือวิญญาณเหล่านี้เรียกว่าโดยย่ออุปาทานขันห้าเป็นทุกข์นี้เรียกว่าทุกขอริยสัจบรรดาอริยรสัจสี่นั้นทุกขสมุทัยอริยสัจเป็นอย่างไรคือตัณหาอันทําให้เกิดอีกประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความกําหนัด มีปกติให้เพล p ere p ere um ิดเพลินในอารมณ์นั้นๆเคลือกามตันหาความทยานอยากในกลามภาวะตันหาความทยานอยากในภพวิภว ะ, ะตันหาความทยานอยากในวิภพก็ตันหานี้เมื่อเกิดเกิดที่ไหนเมื่อตั้งอยู่ตั้งอยู่ที่ไหนเพื่อปิยรูปสาตรูปเป็นสภาวะที่มีอยู่ในโลกตันหานี้เมื่อเกิดก็เกิดทีป่ปิยรูปสาตรูปนี้ เมื past, ่อตั้งอยู the the ่ก็ตั้งอยู่ที่ปิยรูปสาธรูปนี้ก็อะไรเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกคือจักขุเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกปัญหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่จักรุนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่จักขุนี้โซตะเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกคานะเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกชิวหาเป็นปิยรูปสาธรูปในโลก กายเป็นปียรูปสาธรูปในโลกมโนเป็นปียรูปสาธรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่มโนนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่มโนนี้รูปเป็นปียรูปสาธรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่รูปนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่รูปนี้สัตธ h เป็นปียรูปสาธรูปในโลก ธรรมารมเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกจากขวิญญาณเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกมโนวิญญาณเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกจากขวสัมผัสเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกมโนสัมผัสเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกจากขุสัมผัสชาเวทนาเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกมโนสัมผัสชาเวทนาเป็นปิยรูปสาธรูปในโลก รูปปสัญญาเป็นปีรูปสาธรูปในโลกธรรมสัญญาเป็นปีรูปสาธรูปในโลกรูปปสัญญาเจตนาเป็นปีรูปสาธรูปในโลกธรรมสัญญเจตนาเป็นปีรูปสาธรูปในโลกรูปปตัญหาเป็นปีรูปสาธรูปในโลกธรรมตัญหาเป็นปยรูปสาธรูปในโลกรูปวิตกเป็นปีรูปสาธรูปในโลก ธรรมวิตกเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกรูปวิจารณเป็นปิยรูปสาธรูป <Moon S 2> ในโลกธรรมวิจารณเป็นปิยรูปสาธรูปในโลกตัณหานี้เมื่อเกิดก็เกิดที่ธรรมวิจารนี้เมื่อตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่ธรรมวิจารณนี้นี้เรียกว่าทุกขสมุทยอริยสัจบรรดาอริยสัจสี่นั้น ทุกขนิโรธอริยสัจเป็นอย่างไรเพื่อความดับตันหานั้นนั่นแหละโดยไม่เหลือด้วยวิราคะความสละความสละคืนความพ้นความไม่อะไรในตันหาก็ น, านี้เมื่อละละที่ไหนเมื่อดับดับที่ไหนเพื่อปิยรูปสารูปใดมีอยู่ในโลกตันหานี้เมื่อละก็ละที่ปิยรูปสารูปนี้เมื่อดับ ก็ดับที่ปีรูปสารูปนี้ก็อะไรเป็นปยรูปสารูปในโลกคือจักขุเป็นปยรูปสารูปในโลกปัญหานี้เมื่อละก็ละที่จักขุนั้นเมื่อดับก็ดับที่จักขุนั้นโสตะเป็นปยรูปสารูปในโลกธรรมวิจารเป็นปยรูปสารูปในโลกปัญหานี้เมื่อละก็ละที่ธรรมวิจารนี้เมื่อดับ ขอดับที่ธรรมวิจารณ์นี้นี้เรียกว่าทุกขนิโรธอริยสัตว์บรรดาอริยสัตว์สีนั้นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัตว์เป็นอย่างไรคืออริยมรรคมีองค์แดนี้ได้แก่หนึ่งสัมมาทิฏฐิเห็นชอบสองสัมมาสังกัปปะดำริชอบสสัมมาวาจาเจรจาชอบ สี่สัมมารกรรมันตะกระทำชอบห้าสัมมาอาชีวเลี้ยงชีพชอบหกสัมมาวายามะพยายามชอบเจ็สัมมาสติระลึกชอบแปสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบบรรดาอริยมักมีองค์แปดนั้นสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไรเพื่อความรู้ในทุกขความทุกขความรู้ในทุกขะสมุทัยเหตุเกิดแห่งทุกข ความรู้ในทุกขนิโรธความดับทุกข์ความรู้ในทุกขนิโรธคาม่นีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี้เรียกว่าสัมมาทิฐิบรรดาอาริยมัชมีองค์แปดนั้นสัมมาสังกัปปะเป็นอย่างไรคือความดำริในเนียขมมะการออกจากกามความดำริในอัพยาบาทความไม่พยาบาทความดำริในอวิหิงสา การไม่เบียดเบียนนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะบรรดาอริยมรรคมีองค์แปดนั้นสัมมาวาจาเป็นอย่างไรคือเจตนาเป็นเหตุเว้นจากมุสาวาทพูดเท็จเจตนาเป็นเหตุเว้นจากปิสุณาวาจาพูดส่อเสียดเจตนาเป็นเหตุเว้นจากพุรุสวาจาพูดคํำยาเจตนาเป็นเหตุเว้นจากสัมผัส ป, ปลาปะพูดเพ้อเจรินี้เรียกว่า สัมมาวาจาบรรดาอริยมรรคมีองค์แปดนั้นสัมมากัมมันตะเป็นอย่างไรเพื่อเจตนาเป็นเหตุเว้นจากปาณาติบาตการฆ่าสัตว์เจตนาเป็นเหตุเว้นจากอธินนาทานการลักทรัพย์เจตนาเป็นเหตุเว้นจากกราเมสุมิฉาจารการประพฤติผิดในกามนี้เรียกว่าสัมมากัมมันตะบรรดาอริยมรรคมีองค์แปดนั้นสัมมาอาชีวะเป็นอย่างไร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 เพื่อป้องกันบาปอากุโสรธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นเพื่อละบาปอากุโสรธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อทากุสธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นสร้างฉันทะพยายามปรารกความเพียรประคองจิตมุ่ง ม, มั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพินโยภาพไพยบู์เจริญเต็มที่แห่งกุสรธรรมที่เกิดขึ้นแล้วนี้เรียกว่าสัมมาวายามะ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 พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่พึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้นี้เรียกว่าสัมมาสติบรรดาอาริยมัชมีองค์แปดนั้นสัมมาสมาธิเป็นอย่างไรคือข้อที่พิสษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอริยสัธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารระ ง, งับไปแล้ว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 ผู้มีโอเบขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้และเพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วบรรลุจตุทัชฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะโอเบคาอยู่นี้เรียกว่าสัมมาสมาธินี้เรียกว่าทุกขานิโรธคาไมนีปฏิปทาอริยสัตชื่อว่ายานเพราะมีสภาวะรู้ธรรมนั้น ชื่อว่าปัญญาเพราะมีสภาวะรู้ชัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าการทรงจำธรรมที่ได้สดับมาว่านี้ทุกขอริยสัจนี้ทุกขสมุทยาอริยสัจนี้ทุกขนิโรธอริยสัจนี้ทุกขนิโรทคาไมนีปฏิปทาอริยสัจปัญญารู้ชัดธรรมที่ได้สดับมานั้นชื่อว่าสุตตะมยญาณ ปัญญาในการทรงจำธรรมที่ได้สดับมาอย่างนี้ชื่อว่าสุตตะมยญาณสุตตะมยญาณ น, นิเทศที่หนึ่งจบ